เป็นก็อดไม่ได้นะสำนวนว่าตอนรับกับตอนจ่ายทํำยังไงให้ใจคงที่นะรับกับจ่ายนะให้ทํำยังไงใจคงที่เครียกว่าได้มาก็ไม่เสียใจหายไปก็ไม่อาวร์เนี่ยนะมันสำคัญก็อยู่ที่การทําลายปริยุทธฐานกิเลสผู้ที่ทําลายปริยุทธฐานกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้มีใจไม่ขุนมัว จริงอย่างนั้นเสขั บ, บุคคลพูดถึงคนที่ที่มีกิเลสเนี่ยนะนะว่าเมื่อติดในอารมณ์ที่น่ายินดีย่อมก่อกิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทํากิเลสที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นสมมติไปเจออารมณ์ที่น่าชอบใจนะปกติเราก็เคยมีตัณหาอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อไปเจอของงามก็คิดว่า ง, งามสายใจว่า ง, งามกิเลสที่เคยเกิดก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นพระองค์อุปมาอาภิชาตันหาเหมือนกับความเป็นนี่ ความเป็นหนี้น ะ, ะเรียกว่าบ้านรถเป็นต้นก็ผ่อนยังไม่เสร็จไปเห็นนั่นอื่นก็ขอผ่อนต่อไปผ่อนต่อไปไปเที่ยวผ่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั้นความเป็นหนี้ก็เลยมีไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะอันนี้สําหรับผู้ที่อันนี้แบบชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผู้ที่มีตัณหาทั่วๆั่วไปก็ลักษณะเดียวกันเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยชอบมาแล้วก็มาเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ชอบขึ้นชอบขึ้นชอบมากขึ้นชอบมากขึ้นไอ้การชอบมากขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่า ปริยุทฐานที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมบริบูรณ์นั่นน่ะนะพวกนี้แหละเรียกว่าปล่อยให้กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นส่วนเศขะบุคคลใดมีความดำริที่สะอาดหมดจดไม่ติดในอารมณ์ที่น่ายินดีย่อมขวนขวายคือย่อมภาคเพียงปฏิบัติเนี่ยนะขวนขวายตัวนี้มาจากคำว่าสัมมปทานนั่นเองหรือภาคเพียนหรือเป็นผู้ขยันอนนะถามว่าขวนขวายภาคเพียนอย่างไร ตอบว่าพระเสขบุคคล น, นั้นยังกุศลฉันทะให้เกิดขึ้นขวนขวายเพียรพยายามประคองจิตรักษาจิตเพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสัมมปทานข้อที่หนึ่งเรียกว่าสังวรประทานห้ามบาปห้ามอากุศลแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตกไปนะตกไปข้อหนึ่งตกสัมมปทานข้อข้อสอง พรสัมมาประทานข้อสองคือประหานประทานหมายถึงว่าพระเศขะบุคคล น, นั้นทำฉันท่าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว น, นะหายประหานประทานไปนนะข้อแรกก่อนนะจำง่ายๆว่าหนึ่งสังวรประทาน น, นะระวังประคองจิตไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าสังวรคือระวัง น, นะนะ อย่างที่สองก็ประหารนะละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสเสขับุคคล น, นั้นยังกุศลฉันทาให้เกิดขึ้นขวนขวายเพียรพยายามประคองจิตรักษาจิตเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าภาวนาประทานสมถาวิปัสนาที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นนะทําให้มีขึ้นส่วนต่อไปว่าเสขับบุคคล น, นั้นยังกุศลฉันทาให้เกิดขึ้นขวนขวาย เพียรพยายามประคองจิตรักษาจิตเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญเพิ่มพูนแผ่ขยายเจริญงอกงามบริบูรณ์อันนี้เป็นชื่อของอนุรักษณาประทานจำง่ายๆเป็นภาษาบาลีง่ายดีนะหนึ่งสังวรประทานสังวรห้ามบาปไม่ให้เกิด 2. องปะหานะประทานปหานะก็คือละบาปอากุศลที่เกิดขึ้น 3. ภาวนาประธานกุศลที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดนะสี่อนุรักษณาประธานอนุรักษณาประธานนั้นเป็นชื่อของการรักษากุศลนั้นนะให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ พ, เพิ่มขึ้นถ้าเปรียบแบบชาวโลกก็บอกว่าสังวรประธานก็คือการระวังอย่าไปก่อห น, นี้ใหม่สังบวประหาหนนประทานก็คือใช้หนี้ที่มันมีอยู่แล้วภาวนาประธานก็คือ หารายได้เพิ่มอนุรักษ์คณาประธานก็คือรักษารายได้ที่มีอยู่แล้วเห็นก็นลักษณะนะั้นแต่มาคำว่านี่เป็นชื่อของบาปอากุศลรายได้เป็นชื่อของกุศลลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาบุญก็จะไม่เอาอี ก, ก น, นะเอาดีไหมอย่างนี้แย่แ yeah, นะ่อนาตตาที่ไม่ทำบุญนะเดือดร้อนนะทีนี้ต่อไปว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงนะ ที่บอกว่าระวังไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นไอ้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น่ะคืออะไรก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหหงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ไม่สังวรนะมันจะเกิดเอาสิถ้าไม่สังวรนะสมมติว่าไปไปได้รับอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาะก็ลองคิดถึงอิทธารมนั้นบ่อยๆสิอ่นะคิด คิดบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆการมัฟวิตกที่ยังไม่เกิดก็ก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมไปนึกว่าไอ้คนนั้นมันเร็วนะคิดสักสามครั้งนะปกตินะจังกําลังใจดีอยู่นะใจยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมันเร็วมากมันใช้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นโทรศัมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้จังไม่เกิดมันทําไม่เกิดได้อะวิหิงสาวิตกมืนกันเอามันดีคือเอามัง้ง เอาสมั่งเนี่ยนะพวกนี้รวปลักษณะวิหิงสาวิตกเนี่ยนะก็คิดทำลายเพราะฉะนั้นพวกนี้จะให้เกิดก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้อย่างนาทีข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะมันจะเกิดใช่ไหมคือคือความคิดเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในในสามนาทีข้างหน้าหรือชั่วโมงข้างหน้าเราก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะจะคิดให้มันเป็นอะไรถ้าไม่สังวร อ, อกุศลนี่แหละที่ยังไม่เกิดมันก็จะ จะเกิดขึ้นอากุศลมิตกที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูขนพพขึ้นจนจนโตเท่าทุกวันนี่แหละจนชํานาญมากนะชำนาญนะขนาดไหนชำนาญที่เขาเรียกว่าแบบลักษณะอนุสัยนะไม่รู้เห็นของที่ที่ที่น่าปรารถนาปั๊บชอบทันทีเห็นของที่สมมติถ้าเห็นเลือดใครเลือดออกก็เรียกว่าเลือดไหลยเยิ้มเลยนะตกใจทันทีเลยใช่ไหมเพราะเราชํานาญที่จะก่อเกิดอภิชากับโทมนัท นะถ้าแล้วแต่ว่าถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้เสียหายเพราะฉะนั้นจะต้องสังโวรนไม่ให้อากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นทำยังไงนะจะห้ามไม่ให้คิดเป็นบาปได้เนี่ยนะคืออารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีนะ ก, ก็อยู่ที่ที่เรามานติการสิ่งนั้นว่ายงงอย่างไรเนี่ยนะคืออารมณ์ก็คืออารมณ์ธรรมดาของเขาอะนะ ธรรมชาติของรูปายตนะศัท ธ, ธายตนะเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะสีก็เป็นสีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าเรามานุษยการว่าเออนี่สวยดีนะเนี่ยนะก็ลองใครที่เป็นนักชมดอกไม้เดี๋ยไปเที่ยวสวนเลยเนี่ยนะโอ้ยชมได้ทุกกลีบนั่นแหละลงรายละเอียดได้ทุกกลีบแต่ละกลีบแต่ละกลีบนะโอ้ยนานเนี่ยนะสามชั่วโมงแล้วยัยงไม่เลิกเลยอ่ะก็ชมเขาชมได้ในขนาดนั้นนะอันนี้แหละแสดงว่า ปกติไอ้การมฉันทะก่อนที่จะเห็นดอกไม้อันนั้นการมฉันทะเรื่องนั้นยังไม่เกิดใช่ไหมแต่พอได้รับอารมณ์ปั๊บก็เกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นทยอยขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเริ่มถือเอารายละเอียดที่เรียกว่าถือโดยนิมิตกับอนุพยัญชนะอารมณ์ ก, ก็อยู่เท่าเดิมแต่ว่าดูแล้วก็ชอบขึ้นชอบขึ้นชอบขึ้นในที่สุดก็เลยซื้อเลยอย่างเงี้ยนะก็แต่ก็ซอร์มาสักอะไรเท่าไหร่ก็ได้เอาไปปลูกที่บ้านนะไปดูแลต่อไปได้ชมความงามที่บ้านต่อไป ก็ก็ลักษณะนั้นแต่ความเป็นจริงนี่ก็จะมีความประนีตความหยาบนี้ต่างกันด้วยไหมครับคืออิถารมเนี่ยนะ ก, ก็แบ่งเป็นรายบุคคลว่าเป็นรายบุคคลนะ่ะคือคือคนนี่จะชอบไม่เหมือนกันก็ที่ชอบไม่เหมือนกันนะี่แหละคู่ครองในโลกนี้จึงจึงต่างกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอิทแต่ละคนจะถือว่าเป็นอา ร, รมณนาที่ปฏิปัจจัยนะถ้ายกเฉพาะอารมณนาที่ปฏิปัจจัย จะไม่เท่ากันเนี่ยนะจะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยจะเป็นอา ร, รมณนาทิปฏิปัปจจัยของบางคนเนี่ยมากที่เรียกว่าฟังแค่ชื่อก็จะป่วยให้ได้เลยนะสมัยพุทธกาลก็มีนะเขาก็ฟังแล้ชื่อก็จะป่วยละพวกนี้เครียกว่าพอได้อารมณ์ประเภทนั้นเขาจะชอบมากแต่ถ้าอารมณ์อื่นๆก็เป็นอารมณนาปัจัยธรรมดาธรรมดาไม่ใช่อารมณนาทิปฏิแต่กับบางอารมณ์เนี่ยเรียกว่า คิดอยู่ได้ตั้งนานนะส่วนโทสะก็เหมือนกันนะคำคำเดียวกันเนี่ยบางคนนะฟังคําด่าเหมือนกันอีกคนลืมตั้งแต่ฟังและอีกคนนึงเก็บอยู่ได้สมปีย่งเงี้ย น, นะเดี๋ยวก็เก็บมาคิดเดี๋ยวก็เก็บมาคิดเก็บมาคิดเก็บมาคิดบ่อยๆบ่อยๆพวกนี้เรียกว่าพยาบาทวิตกเนี่ย น, นะคําำเดียวกันมันแล้วแต่ว่าะจะพยาบาทมากขึ้นหรือจะ ก, การมัววิตกมากขึ้นก็อยู่ที่ที่การสั่งสมของบุคคล น, นั้นด้วยเนี่ย น, นะ ก็จริงๆว่าอยู่ที่ปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยที่จะทําให้โลภะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นโลภะที่เกิดขึ้นแล้วพอกพูนพอกพูนพอกพูนขึ้นหรือไม่เนี่ยนะแต่แต่นี้มองในแง่อกุสนะที่เรียกว่าตัวปัจจยุบันแต่อารมณ์ก็เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นวันยังค่ำมันะก็อย่างที่กล่าวไปว่าโลภะเนี่ยถ้าเป็นอิทถารมจริงๆนะก็ถือว่าเป็นปีรูปสารูปของกามกามมาราคานุสัย นนะแต่ถ้าบางคนก็ยังไปชอบปริกระปะอิทธารมีอีก น, นนะก็คือมองจนดีจนได้อ่ะอ น, นะมองจนชอบเหมือนกันเถอะเห็นอณิถารมณ์แล้วก็มีความสุขเลยนะอย่างบางคนเห็นเรียกว่าโหโพริกแดงๆแล้วมีความสุขมากเงี้ย น, นะบางคนนี่เห็นแล้วก็ท้องจะเสียทั้งแต่เห็นนะ้วอย่างบางคนนี่ยติดข้องกับคําว่าเปรีย้ยวมาเนี่ยนะเช่นมะนาวมะยมมะขามทั้งหลายอนะไรเนี่ยพอได้ฟังปั๊บก็เริ่ม นํารายไม่รู้ออกมายัางไงนะจิตตชื้อรคทันทัปทำงานทันทีเลยอะ่ะ ย, ย่างบางคนเวลาเขาขูดสังกสีใช่ไหมโอ้โหแค่ฟังบอกขูดสังกสีปั๊บเสียวหูแหละอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะมีโทสะขึ้นทันทีในอารมณ์นั้นๆแต่ว่าถ้ากล่าวแบบสับพพะสังวรสูตรเนี่ยนะอารมณ์ก็คืออารมณ์อย่างนั้นวันยังค่ำเนี่ยในทางธรรมะก็คือทํำยังไงที่จะได้สังวรขึ้นทํำยังไงการมรรตกไม่เกิด ทำยังไงพยาบาทวิตกไม่เกิดทำอย่างไรวิหิงสาวิตกไม่เกิดเดี๋ยวค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งส่วนบาปอากุโสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นฉไหนคืออากุศลมูลทั้งหลายที่เป็นอนุสัยคําว่าอนุสัยอันนี้ไม่ใช่หมายถึงวัตมานุปปณะนะไม่ใช่หมายถึงมันกําลังเกิดนะที่เรียกว่าอนุสัยตรงนี้นะแต่หมายถึงภูมิรัตทุปปณะกับอสมคาติกตุปปณนะคือหมายถึงภูมิรัตทุปปนณะหมายถึงว่าได้อารมณ์แล้วมันจะเกิด เนี่ยนะเช่นถ้าได้รับปัจจัยปับ๊บสมมติว่าเจอของสวยก็ชอบเจอของไม่สวยก็ก็พร้อมที่จะชังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าอนุสัยในแง่นี้หมายถึงภูมิรัตทุปป น, นะเนี่ยนะหมายได้เหตุได้ปัจจัยแล้วก็จะเกิดทันทีอุปมาเหมือนกับว่าตัณหาเหมือนกับมันเก็บอยู่ในดอกไม้อะเนี่ยนะโทสะเหมือนกับเก็บอยู่ใน พวกแผลพวกอะไรเป็นต้นนะนะเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงนั้นอะ่ะจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่หมายถึงได้ปัจจัยแล้วมันมันจะเกิดขึ้นเพรา ะ, ะรเพราะมันชนานาญแล้วอะชำนานพร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเกิดหรือเพราะบุคคล น, นั้นยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนออกไปนั่นคำว่าอากุโซลธรรมที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะหมายถึงอนุสัยทั้งหลายที่เป็นอกุโลมูลเนี่ยนะ อกุศลมูลน่นะทีนี้ต่อไปว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นฉะไหนคืออินทรีทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของพระโสดาบันบุคคลก็ถ้ายังอยู่เป็นปุถุชนเนี่ยก็คือโสดาปฏิมาศยังไม่เกิดนั่นเองต่อไปว่า กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นฉนก็คือมัคอินทรีย์ทั้งหลายของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมัคที่ปฏิบัติเพื่อให้แจ้งโสดาปฏิผลเหล่านี้ชื่อว่ากุศลธรรม ท, ที่เกิดขึ้นแล้วสัมมประธานเนี่ยนะใช้เฉพาะในมัคอย่างเดียวไม่ไม่ใช้เฉพาะในผลนะอริยผลเนี่ยสัมมประธานนั้นต้องอยู่กับกุศลอย่างเดียวจะไม่อยู่กับชาติวิบากเพราะชาติวิบากไม่ได้เป็นชาติที่จะต้องใช้ วิริยะอะไรใช่ไหมไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรเพราะฉะนั้นสัมมาประธานนี่อยู่กับชาติกุศลอย่างเดียวทีนี้กุศลที่ยังไม่เกิดก็คืออินทรีย์ใช่ไหมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็คืออินทรีย์อีกนั่นแหละแต่กุศลที่ยังไม่เกิดหมายถึงมรรคที่ยังไม่เกิดถ้ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงโซดาปฏิมรรคที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงข้อปฏิบัติของพระเสขะอยู่นะในบรรดาอินทรีย์ที่ป้องกันการมวิตกชื่อว่าสตินทรีย์ถ้าจะให้มันจับคู่กันเลยนะเรียกว่าสังวรบาปไม่ให้สังวร ไ, ไม่ให้บาปเกิดขึ้นเอาอะไรมาสังวรก็เอากุศลนั่นแหละมาสังวรภาวนาให้กุศลกุศลเกิดขึ้นมาสังวรการสังวรการมมวิตกก็สังวรด้วยสติ น, นะนะด้วยสเตนซถามว่าทํำยังไงก็ถ้าใช้คําว่าสติเนื่อนึกถึงอะไรนะต่อบไปหาอะไรก็สติสติปฐานภาวนาสติปฐานภาวนาคือกายานุปัสนาสติปฐานเนี่ยเป็นตัวห้ามกามวิตกคือจริงอยู่นะถึงถึงเราจะนึกถึงเช่นคนที่เราชอบ แต่ถ้ามณสิการโดยผมขนเล็บฟันหนังต่อไปเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าลดไหมก็บาปอกุศลทั้งหลายก็ลดขึ้นเนี่ยนะมันก็เวลามณสิการถึงเรียกว่าการมวิตกเกิดขึ้นในอารมณ์ใดถ้าเจริญกายานุปัสนาในอารมณ์นั้นแหละก็มณสิการอารมณ์นั้นแหละโดยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นแล้ ว, ลวก็เริ่มพิจรนารณานวสี ห ร, หรือป่าช้าเก้าอ่ะในอารมณ์นั้นแล้วต่อด้วยป่าช้าเก้าถามว่ากามาวิตกจะลดลงไหมเมื่อเมื่อคิดต่อไปอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่ถ้าเป็นพระสูตรหนึ่งนะเรียกว่ามหาทุกขคันทสูนย์นะนะแปลว่าอสาท่ของรูปเป็นชนัยก็คือรูปที่ที่สวยที่น่าปรารถนานั่นแหละแล้วอาร์เนวะเป็นยังไงก็รูปนั้นแหละอายุแปดสิบผ่านไปเก้าสิบย่างเข้ามาถึง หรือเก้าสิบหรือร้อยปีย่อนหย่อนยังไง น, นนะหรือไม่ตายไปวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันจนถึงกระดูกโน่นน่ยอยู่ข้างๆโบสถ์ข้างๆวิหารข้างกําแพงวัดน่อนะถ้าคิดไปได้ให้มันตลอดสายยาวๆขนาดเนี้ยกามวิตกจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดพราะะ น, นสติปฐานภาวนาเนี่ยนะหรือสตินซีนี่แหละเป็นตัวห้ามกามวิตกเนี่ยนะนะแต่ว่าสิบสี่บาปผาต้องแม่นหน่อยนะ 14บี่บัพพะโดยเฉพาะบัพพะหลังๆอ่ะนะตั้งแต่ปฏิกูลมนสิการบัพพิอ่ะนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยถ้าหมั่นสาธยายไคร่ครวนบ่อยๆจะห้ามกามวิตกเป็นต้นแบบผู้การว่านะนึกถึงเด็กเล็กๆอ่ะนะก็มันก็เออฟันอย่างเงี้ยนะถอดฟันมาดูอ่ะค่อยๆ ค, ค, คิดไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆๆนะคคนที่ที่คิดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดด้วยโทรศ เพราะว่าการคิดแบบนี้ห้ามห้ามอะไรห้ามกามแต่ขณะที่มีโทสะห้ามมาคิดแบบนี้เด็ดขาดเนี่ยนะพอโทสะไม่ใช่อะไรโทรสะเกิดก็อาจจะสุภาษทั้งปีเนี่ยนะกำลังโทสะแล้วคิดมรณานุสตยิยังไงดีไหมเจริญมรณานุสติกําลังกับคนที่ปาดรถหน้าเราไปหยกหยกเนี่ยนะอนนกะ ระวังให้ดีนะมันจะล่วงกรรมบทเอาเนอรนะ์มีโทษเท่าปนานติบาสนะี่นะเป็นมโนกรรมอน่ะนี่นะนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากรรมฐานเนี่ยนะสำหรับท่าราคะเกิดเนี่ยจึงให้เจริญที่สติปัะฐาเนี่ยนะเพื่อละอะไรละกามมาฉันทะหรือกามมาวิตกส่วนอินทรีย์ที่ป้องกันพยาบาทวิตกเนี่ยนะหมายถึงสมาธิอินทรีย์ท่านบอกว่า สมาธิอันนี้มีอนัวชชนะสุขประธานหมายถึงสุขที่ไม่มีโทษเป็นเหตุใกล้ดังั้นคนที่จะมีสมาธิจริงๆเนี่ยนะสมาธิเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสุขแล้วสุขมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปัตสัทธิปัตสัทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปิติปิติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปราโมทปราโมทมีอะไรเป็นเหตุใกล้อวิปปิสารอวิปปิสารมีอะไรเป็นเหตุใกล้กุศลศีลทั้งหลาย กุศลศีลทั้งหลายเป็นเหตุใกล้เพราะนั้นต้องเจริญศีลมาเป็นอย่างมากอันนี้สงของศีลเนี่ยศนะีล น, นามาซึ่งสมาธินเนี่ยนะศีลเนี่ยอันนี้ส์เป็นอุปนิสัยเป็นฐานชั้นล่างของสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละพยาบาทได้พยาบาทก็คือพวกวิปฏสสนาทั้งหลายเนี่ยถ้าเจริญกุศลศีลเป็นต้นเป็นอย่างดีก็จะไม่พยาบาทจะไม่เกิดโทสะเนี่ยนะ พลันสมาธิเนี่ยจึงเป็นตัวห้ามพยาบาทวิตกเนนี่ยะคนที่มีสมาธิดีนะไม่ค่อยโกรธขณะที่โกรธก็ไม่มีสมาธิส่วนอินทรีย์ที่ป้องกันวิหิงสาวิตกชื่อว่าวิริอินทรีย์โออันนี้เพียนมากเลยนะแต่นี้ต้องใช้ความพยายามจริงๆนะจึงจะจึงถ้าสมมติเราจะต่อว่าใครให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจเนี่ยนะขมไม่ได้ใจขมเลยนะ อันนี้ต้องใช้ความภาคเพียนเป็นอย่างมากเลถ้าถ้ายิ่งคนระดับสูงหน่อยนะที่มีลูกน้องเยอะๆอะคือกําลังมีโทรศัจะต่อว่าเขาอย่างเงี้ยนะถามว่าใช้ความภาคเพียนขนาดไหนนะจึงจะจึงจะไม่ต่อว่าจึงจะไม่อะไรเขาด้วยโทรศัแต่ไม่ได้แปลว่ามไม่ให้สอนให้บอกให้สอนแต่ไม่ใช่บอกสอนด้วยโทรศัเหมือนกับคนมีลูกลูกมีความผิดเนี่ยนะคนเนี่ยบางคนก็ชอบสอนลูกตอนที่เขามีโทรศนะ ตอนที่หายโทสะนี่พูดไม่เป็นถามว่าตอนไหนจะสอนล้วจะได้ผลที่สุดตอนมีโทสะใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนที่มีโทสะควรจะภาคเพียรที่จะข่มก่อนแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเอามาพูดคุยอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าต้องรอให้หมดโทสะซะก่อนเนี่ยนะจะได้ไม่มีอคติเนี่ยนะแต่ น, นี้ต้องใช้ความภาคเพียรเป็นอย่างมากนหะอันนี้ใช้ความเพียรจริงๆ ก็ว่าต้องหาวิธีคิดต้องรอหน่อยนะอดทนหน่อยนะภาคเพียรอนนี้ต้องใช้วิริยะมากเลยนะจึงจะอดได้มันวิหิงสาวิตกนะถ้าเป็นแบบแบบระดับสูงนะคือชั้นที่เป็นลูกพี่ทั้งหลายจะตำหนิลูกน้องเนี่ยนะนะแต่ถ้าลองบอกว่าทำยังไงที่จะเลิกไม่ว่าเขาได้ในช่วงที่มีโทสะเนี่ยนะรออีกชั่วโมงหนึ่งอ่นอะนะนะนะ เราจะต่อว่าเขาอยู่แล้วแหละรออีกชั่วโมงให้มันเย็นกว่า น, นี้แล้วก็ไปต่อว่าเนี่ยนะอันนี้ใช้ความเพียนขนาดไหนเนะอันเนี้ยที่เรียกว่าวิริยินทร์สีเนี่ยสําคัญมากเนี่ยนะนะวิริยินทร์สีเนี่ยกําจัดวิหิงสาวิตกเนี่ยนะนะมียอย่างในชาดกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยรอสามปีเนี่ยนะนะสามปีเลยเคยมีมีเรื่องหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยอุปถาก พ, พระประเจกับพุทธเจ้าอยู่ ทีนี้คนสวนเนี่ยนะก็พระประเจกเนี่ยท่านพักอยู่ในสวนมีอยู่วันหนึ่งพระประเจกท่านเดินจงกรมท่านเดินจงกรมไอ้คนสวนก็นึกว่าแพ้อันนึกว่านึกว่าเนื้อนะตะคุ่มตะคุ่มเหมือนกันก็เลยเอาหอกทิ่มเข้าไปพรวดหนึ่งอา้าวแทงพระนี่ไม่ใช่แทงเนื้อแกก็เลยไอ้คนสวนนี่ก็เลยกลัวความผิดมากก็เลยหนีไปอย่างนะนี้หนีไประหกระเหินตกระกรรั่วลำบากแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นอํามาตะเป็นเสนาบดีอยู่ที่เมืองเนี่ยนะ มันไปตกรกรรมลาบากมากๆเข้าก็เลยนึกถึงพระราชาอยากจะกลับมาเป็นคนสวนตามเดิมก็ไปทาบทรมอมาอมัดอมัดไปเล่าให้พระราชาฟังทีว่าเหมือนกับคนสวนเนี่ยจะกลับกลับมาทำงานเหมือนเดิมเนี่ยนะพระราชาหนึ่นิ่งเลไม่พูดสักคำผ่านไปอีกปีหนึ่งก็มาตามเดิมอีกนิ่งอีกกันเลยสาปีที่สามบอกไปเรียกมันเข้ามา เรียกเข้ามาก็สอบสว น, นเรื่องไปยังไงอะไรยังไงทําไมจึงไปฆ่าพระอะไรเงี้ยนะบอกไม่ได้ฆ่าพระจริงๆ จ, จะฆ่าเนื้อแต่ว่าพระเหมือนเนื้อเลือเกินจีวรท่านอย่างเงี้ยนะก็เลยทิมเข้าไปก็นึกว่าเนื้อจริงก็เลยกลัวความผิดก็เลยหนีไปไม่ได้มากราบทูลพระองค์ก็ขอโทษด้วยก็ขอโทษขอพยนะพระราชาก็อ้ารับสมัครทํางานตามเดิมหมาก็ถามว่าทําไมก่อนหน้านี้พระองค์ไม่ไม่ไม่ไมตรัสนะ่ฆ่าพระองค์เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่สองรอบแล้วบอกว่าตอนนั้นเรายังมีโทสะอยู่ เรามีอคติอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นธรรมมันเราจะไม่สอบสวนใดในเรื่องที่เรายังมีอคติเนี่ยนะรอให้สบายใจก่อนค่อยเก็บมามาคิดคนนะเวลาคนโดยทั่วทั่วไปชอบแก้ปัญหาตอนที่มีโทสะเรื่องยากๆชอบเอามาแก้ตอนที่เครียดเนี่ยนะเออไอตอนสบายใจจริงๆก็ใช่พอเพริ่มมีปัญหาเริ่มเดือดร้อนน่ะนะไอธุรกิจอะไรที่มันยุ่งยุ่งทั้งหลายเนี่ยจะชอบใช้ตอนมีโทสะแหมขวนขวายเต็มที่เลยนะ จริงๆไม่ค่อยได้ประโยชน์หรอกตอนนั้นนะน่าจะรอสันหน่อยให้มันสบายใจก่อนแล้วค่อยเอาคิดเรื่องยากเพาะนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากๆเราั้นจึงต้องเจริญสมาธิเป็นต้นเนี่ยให้ละเอียดลึกซึ้งก่อนจะได้มองอะไรโดยที่ไม่มีอคติและจะไม่ได้มีโทสะเนี่ยนะพราะนั้นสำคัญมากนะความเพียรที่จะต้องห้ามกันไม่ให้บาปอ่ไม่ให้วิหิงสาวิตกเนี่ยเกิดขึ้น ส่วนอินซีที่ละทําให้หายทําให้สิ้นทําให้ไม่เกิดอีกทําให้ตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งบาปอาคุโลธรรมทั้งหลายชื่อว่าปัญญอินซีเพราะถ้าจะตัดบาปได้ทุกชนิดจริงๆต้องเป็นปัญญาถ้าไม่ระดับปัญญาแล้วไม่สามารถตัดบาปได้เป็นสมุเฉทะปะหานส่วนความเชื่อความเลื่อมใสในอิตัดทินีในอินรีทั้ง4ี่นี้ชื่อว่าสัดทินรี สำคัญนะศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้อินทรีย์ทั้งหมดเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่อยู่ที่ศรัท ธ, ธาในบรรดาอินทรีย์เหล่านั้นเพิ่งทราบสัตทินทรีย์ได้ที่ไหนบอกว่าในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมคือในเหตุแห่งการถึงกระแสะคือกุศลสัตทินซีเนี่ยนะต้องถึงโสตาปฏิยังฆ่าธรรมนะโสตาปฏิยังฆ่าธรรมนั่นแหละจึงจะเป็นเป็นสัตทินทรีย์ที่บริบูรณ์โสตาปฏิยังฆ่าธรรมมี4ประการ ส่วนวิรยินซีได้ทราบได้ที่ไหนก็ในสัมมาประธานสีสตินซีได้ที่ไหนได้ในสติประธานสีสมาธินซีได้ในฌานสีปัญญินซีได้ในอริยสัจสี่เสขาบุคคลผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งปวงอย่างนี้คือในโสภาปฏิยังฆธรรมสีในสัมมาประธานสีในสติประธานสีในฌานสีในอริยสัจสเนี่ยถ้าไม่ประมาทในธรรมะเหล่านี้นะ อย่างนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยความเป็นผู้มีใจไม่มัวมองใจไม่ขุนมองด้วยมีอนะินทะรีห้าเนไหมแต่ไม่มีอินทรีห้านั่งยิ้มอยู่ทั้งวันเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ให้เป็นพนักงานต้อนรับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ในนี้นะใช้ให้ไปทำงานมานะเป็นแนกต้อนรับนะรับลูกค้ า, า จ, จะดีขึ้นก็ได้นะนะแต่นี้หมายถึงพวก โสตาปัฏิยังค่าธรรมเนี่ยสำคัญโสตาปฏิยังค่าธรรมแปลว่าการถึงกระแสะคือกุศลกุศลเป็นชื่อของอาริยมรรคเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคเนี่ยตัวที่สําคัญที่จะทําให้มรรคเกิดเนี่ยคืออะไรก็คือ1นึ่งคบสัตว์บุรุษนะอันนี้หมายถึงพระธรรมตรัยนี่ต้องแม่นยําโดยเฉพาะพุทธคุณเนี่ยนะสองฟังธรรมของสัตว์บุรุษก็หมายถึงฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ส โยนิโมสมนัิการก็คือคิดตามธรรมที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะฟังอริยสรรัจก็เอาอริยสัจนั่นแหละมาคิดอย่างเงี้ยส่ว so, นเอามาคิดเนี่ยคิดแค่ไหนธรรมานุธรรมปฏิปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมจะต้องคิดไขครควนจนบรรลุอริยสัจอ่ะ น, นะถามว่าคิดแค่ไหนจึงจะบรรลุอริยสัจได้นั่นแหละเท่านั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธา จริงๆแล้วในอินทรีย์ทั้งห้าท่านบอกว่าเกิดในวิสัยเดียวกันวิสัยคือในการรับอารมณ์เดียวกันอุปมาเหมือนอย่างว่ามีเศรษฐีบุตรอยู่สี่ท่านด้วยกันมีพระราชาเป็นที่ห้าเดินไปในถนนหลวงร่วมกันเนี่ยนะเดินไปตามถนนเนี่ยนะทีนี้ก็ไปเข้าบ้านบุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งคนที่เหลือก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละ อยู่ในในเครือาดนี่แหละแต่ก็นั่งนิ่งๆ่งสัตว์อะนะเศรษฐีบุตรคนที่หนึ่งจะจัดการก็ดูแลสัง์คนงานทั้งหมดนี่จะเป็นคนที่หนึ่งพอไปถึงบ้านเศรษฐีบุตรคนที่สองคนที่สองก็จะจัดแจงทั้งหมดเนี่ยนะคนที่ที่เหลือสคนเนี่ยนั่งนิ่งไปถึงบ้านคนที่สมก็นายาเดียวกันคนที่สก็เหมือนกันพอไปถึงพระราชาวังพระราชาเนี่ยจัดการราชกิจในวังเนี่ยนะส่วนคนที่เหลือก็นิ่งๆิ่ง ชั้นใดก็ดีถ้าถึงกระแสคือโสตาปฏิยังฆ่าธรรมอันนี้ศรัทธาเป็นใหญ่หันตรงนี้ที่ที่เรารับอารมณ์ทั้งหลายมานสิการอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าได้แค่ไหนเนี่ยนะหนึ่งเราเรียกว่าเราครบพระพุทธเจ้าเพียงพอไหมเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกมาดีหรือไม่ก็ลองดูคิดถึงคำสอนอะไรได้บ้างเอาในเมื่อรับอารมณ์ทั้งหลายนะเมื่อไปเกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย สมมติขับรถขึ้นบนท้องถนนเลยดูเนะี่ยธรรมะอะไรจะมาบ้างนะเ น, นี้ยต้องมีศรัทธาจริงๆอจึงจะทําได้ถ้าคนไม่มีศรัทธานี่เจริญไม่ได้เพราะว่าโยนิโสมนัิการมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะฮัลสัตทินรีนี่จึงจําเป็นมากในการคบศัตรูหลุษฟังธรรมของศัตรูหุษและโยนิโสมนัิการบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วนี่จะต้องคิดอย่างนี้ไปอีกแค่ไหน ก็บอกว่าจนกว่าจะโซดาปฏิมักเป็นต้นเกิดนั่นแหละจึงจะหมดภาระอันนี้ทันั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยเป็นเครื่องวัดคาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่แปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเนี่ยนะก็คือการเจริญกุศลศีลเป็นต้ น, น่ะนะให้คู่ควรแก่โซดาปฏิมัก เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะหรือเจริญศรัทธาเป็นต้นอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละมันก็ต้องเจริญกุศลให้คู่ควรแก่อริยมรรคเกิดขึ้นอันนี้ศรัทธาเป็นอย่างนำหน้าทีนี้ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยพอไหมที่จะตรัสรู้ทำเนี่ยแหละจะต้องอาศัยความภาคเพียรมันความเพียรนี่เป็นกิจของ สัมมาประธาน น, นะเป็นภารกิจของสัมมาประธานนี้สัมมาประธานเนี่ยนะว่าย่อๆแบ่งออกเป็นสองนะคือละบาจเจริญบุญเนี่ยนะภารกิจของความเพียรนะละบาปกับเจริญบุญทีนี้ถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับบาปก็คือสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นละบาบที่เกิดขึ้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องบุญบุญที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกพูนภัยบุญรักษาเพรา ะ, ะนั้นถ้าจะว่าย่อก็เหลือย่อสองคือ ละบากเจริญบุญอันนี้เป็นกิจของสัมมาประธานส่วนสตินสีนี่เห็นได้ที่ไหนก็คือในสติประธานสี่เขาคนที่เพียนเนี่ยบางทีไม่รู้ไปเพียนทำอะไรใช่ไหมมีบางท่านอยเดินทั้งวันนั่งทั้งวันเป็นต้นไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอทั้งคืนบอกถามทำอะไรวาดรูปบ้างมีภาพบางองค์เนี่ยนะไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอก บอกทําอะไรบอกว่าฟังเรื่องเรื่อยเปื่อยนะทำโ น, โน่ทนทํานี่ไปไม่ค่อยหลับพ่อยนอนนะคืนหนึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ว่าไอ้ที่ตื่นไม่ได้ตื่นเจริญสติปัฏฐานนะวันเพียรตามหลักจริงๆอ่ะนะเมื่อเพียรละบาปเจริญบุญต้องเป็นไปในสติปัฏฐานกายกีบพะสิบสี่บาพะน่าจะเพียงพอที่จะไม่เหงาได้แล้วนะตั้งสิบสี่บพะถึงเวทนาก็มีทั้ง เจิตสิบกธรรมะห้าหมวดนะั้นน่าจะเจริญได้อย่างดีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีสติจริงๆก็ต้องสติในสติประฐานสีโดยวัตถุประสงค์ของสติประฐานสีคืออะไรละวิปลาสีเนี่ยนะกายานุปัสสนาก็เพื่อละสุภาพวิปลาส์ก็ถามว่าสติประธานเราต้องเจริญแค่ไหนก็เอาเรื่องวิปลาสเข้ามาวัดดูว่าใกล้จะพอหรือยังนะพวกการใกล้จะเต็มเปี่ยมหรือยัง น, นะ ก็ดูจากว่าวิปลาสมากขนาดไหนถามว่าหายเมาไปเยอะไหมอย่างนงี้นะถ้ายังไม่หายเมาก็กลำลําบากกันแล้วนะเพราะวิปลาสทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรจากความเมาถ้าใช้คำหนักวันนั้นก็เรา ว, วิปริตแปลเป็นไทยว่าเพี้ย น, ย น, นก็ไม่งามว่างามอย่างนงี้ยนะมันคิดยากอยู่เหมือนกันนะไม่งามว่างามเลยคิดยากมาก แต่เข้าไปดูคนงามนะว่าไม่งาให้ไม่งามเนี่ยอันนี้ยากแต่ถ้าไปดูพวกพิการอยู่แล้วเนี่ยนะปางตายกันเต็มทีแล้วอันนี้มองไม่ยากแต่ น, นี้หมายถึงว่าถ้าพิจารณาได้ละเอียดที่สุดเนี่ยนะบอกว่าพิจารณาอารมณ์ใดน้อมไปในอารมณ์ใดก็เสมอกันหมดเนี่ยนะอันนี้คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่แม่นยำถ้าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแม่นยำนะ แม้แต่มนัสิการไปในพรหมมรโลกก็ไม่เที่ยงอขอไปก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกข์แล้วเกินมนุษย์โลกนะถ้าสวรรค์นี่คงจะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมนุษย์สวรรค์เทวดาเสมอกันหมดในความเป็นทุกข์ในความเป็นทุกข์เนี่ยเสมอกันหมดถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาดีนะแม้แต่อรูปประพรมเนี่ยนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะมีอายุแปดหมื่นสี่พันกับก็เสมอกันในความ ไม่เที่ยงเนี่ยนะทุกภพภูมิก็นะแต่ละภูมิก็มีนิวรณ์ตามสมควรใช่ไหมทำยังไงที่จะละนิวรณ์สามารถที่จะบําเพ็ญบุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เป็นการเจริญอบรมธรรมานุปัสสนาคําว่าธรรมะตรงนั้นนะธรรมะในธรรมานุปัสสนาหมายถึงอะไรหมายถึงว่านิวรณ์เป็นประหาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรละขันอายตนะเป็น ปรินยญ य य าธรรมนิโรศสัตว์เออเข้าไปพ่อชงพชงภาเวตาปธรรมส่วนอริยสัตวได้ทั้ง4ประการทั้งปริญยญาธรรมปหาตาปธรรมสัจจิกาตาะธรรมและภาเวตเาปธรรมก็โยมมีบุญนะฟังภาษาแขกกันตั้งเยอะอะ่ะในคุณลำพาวดีไปอินเดียตอนี้ไม่ต้องหนักใจแล้วนะเพราะว่าฟังภาษาบาลีไว้เยอะแล้วนะมันนมัสเตก็ฟังไม่ยากแล้วท่านนี้ คือถ้าฟังถ้าเราคิดๆนะนะสั่งสมภาษาบาลีไว้บ้างก็ดีนะต้องต้องนึกนึกเออสนุกดีเหมือนกันเอาแบบนิสัยพวกาญน่ะพวกกาญเขาบอกว่า อ, อนั้นที่สมุทยาทุกข์สมุทโยไงเออไพเราะอะไรเงี้ยนะถ้ามีอัธยาสายอย่างนี้หน่อยดีนะเขาบอกว่าฟังกับชื่อกับไพเราะแล้วอย่างเงี้ยนะให้มีอัธยาสายแบบนี้นะเรจะง่าเรียนได้นานแต่บอกอุ๊ยทาไมพูดบาลีเยอะเหลือเกินคำสองคกาก็บาลีเหมือนแปลม้างเลยอย่างเงี้ยอนาคตไปไม่รอด เนี่ยนะว่าถ้ายัางมาอีกสามอาทิตย์นี่ก็เก่งมากแล้วว่างั้นนี่ต่อไปนะถ้าสมาธิสีก็ดูได้ในฌานสี่เห็นอะไรแล้วเราเข้าฌานได้บ้างหรือเห็นนะถ้าเห็นอะไรแล้วฟุง้งซ่านในทุกเรื่องอันนี้ไม่ยากใช่ไหยแต่เห็นอะไรแล้วเข้าฌานได้ยังไงอ๋อถ้าว่าโดยเกี่ยวกับเรื่องสมถะทั้งหลายนะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็กสินสิบอนุสติสิบอสุภาพสิบอบปมัญญาสี่นะเนี่ย แล้วก็อารูปประชานสี่ธาตุและธาตุกับอาหารปฏิกูลถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยในแต่และอารมณ์เราเจริญอะไรได้บ้างเอาพอที่จะบ่งถึงประกาศถึงความเป็นผู้มีสมาธิบ้ากนั่นนะรับอารมณ์อะไรเนี่ยนะสมมติถ้าเราบอกเจริญผู้ธานุสติมากบอกว่าเอาลองเห็นฝาเนี่ยเจริญผู้ธานุสติยังไงแต่เห็นอยู่แค่เนี่ยเนี่ยอยู่อย่างนี้อะอไรหันยังไงอ๋ อรหังได้ยังไงสัมมาสัมพุโทโธได้ยังไงวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูเนี่ยลองเจริญดูนะเจริญได้ไหมโอ้ก็จริงๆก็ถามดูนแลแลั่นแหละที่พูดอรหังครั้งก่อนก่อนนู้นมันมันได้เท่าไหร่นะวัดผลวัดผลก็ตอนฟังตอนนั้นเนี่ยของมาก็รู้แนละ้วว่าฟังเอาบุญ น, น, นะ น, นะ นี่ก็เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเจริญยากขนาดนี้สมาธิสีเราอ่อนขนาดนั้นมนสิการอะนะเอาพูดง่ายๆเลยนะกูการเห็นอาจารย์สันติเนี่ยเจริญสมถะอะไรได้บ้างเรานั่นแหละคุณเห็นกันก็เหมือนกันเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยนะลองดูนะคุณปริยาเห็นคุณรัตนาแล้วเจริญเนี่ยสมถะอะไรได้บ้างสี่สิบข้อเนี่ยนะคิดอะไรได้บ้างเอานั่นแหละประกาศถึงว่าสมาธิสีมีอยู่เท่านั้นนะนั้งสี่สิข้อนะน่าจะได้สักอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าให้เจริญตามจริตนะตอนโทสะจริตก็อย่าไปเจริญอสุภะเนี่ยนะกนะ็ห้ามด้วยนะมีเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าจะมีถึงตอนราคะจริตก็อย่าไปเจริญพรหมวิหารเนี่ยนะก็แยกให้ดีกันแล้วกันเพราะฉนั้นฌานสี่ก็เป็นเครื่องวัดถึงสมาธิสีแต่ว่าสําคัญทั้งหมดนะที่โสซตาปฏิยังคะธรรมสำมะประธานสี่สติประธานสี่ฌานสี่จุดประสงค์เพื่อเพื่ออะไร เพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างรู้วันนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติของพระเสขบุคคลคือการเจริญอินสี่ห้เนี่ยนะพระพระเสขบุคคลเนี่ยนะเรียกว่าไม่พึงติดใจในกามด้วยอำนาจไม่พึงติดใจในวัตถุกามด้วยกิเลสกามวัตถุกามเป็นอะไรธรรมปริญยญาธรรม วัตถุกรรมนะเป็นธรรมที่จะต้องใช้ยาตะปริญญากับตีระณะปริญญาส่วนกิเลสกรมเป็นปหานะปริญญาแล้วก็มีใจไม่เศร้าหมองมีใจไม่ขุนหมองด้วยการเจริญสัมมปทานสี่สัมมปทานสี่เนี่ยนะก็แบ่งเป็นอะไรหนึ่งสังวรประธานสองปหานะประธานสาภาวนาประธานสอนุรักษณาประธานทีนี้ส่วน ภาวนาประทานนั่นแหละเป็นตัวไปละสังวรประทาน น, นะภาวนาประทานเป็นตัวไปละสังวรประทานทีนี้ภาวนาทําอะไรภาวนาทํำยังไงเนี่ยจะบอกว่าจะไปเจริญภาวนาไม่ได้แปลว่าอ้าวไปไปหาโคนไม้แล้วก็ไปนั่งท่องคําใดคําหนึ่งนั่นแหละภาวนาใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงไปเจริญอินทรี่ห้าเนี่ยนะเจริญอินทรี่ห้าเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ศรัทธาเจริญด้วยโสตาปฏิยังคะธรรมสี่ไม่ใช่เอ้อเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ใช่อนะคำว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วบางทีเนี่ยเป็นคําพูดตัดประเด็นใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วอย่างเงี้ยคำนั้นเนี่ยแปลว่าพอแล้วรู้แล้วพอแล้วเลิกพูดได้แล้วไอ้คำว่ารู้แล้วเนี่ยเราพูดตัดประเด็นอย่างบอกว่าผู้เรื่องศรัทธาบอกเชื่อแล้วเชื่อแล้วไอ้ยางเงี้ไม่ได้แปลว่ามีศรัทธาเสมอไปนะเง่้ยนะ มันคําว่ามีศรัทธาก็โสตาปฏยังค่ารำสี่ประการมาวัดดูครบสัตวบุรุษฟังธรรมของสัต์บุรุษเอาโมาโยนิโสได้ขนาดไหนแล้วถามวาโยนิโสคู่ควรแก่การบรรลุหรือยังนี้ต่อไปวิริยะนะสัมมาประธานเนี่ยนะหนึ่งบาปเราละไปแค่ไหนแลว้วบุญเจริญอะไรไปบ้างต่อไปถ้าสติประธานสี่ละ ว, วิปลาสอะไรได้บ้างลแล้วแปลว่าหายเมาอะไรบ้างแลว้ว น, นะส่วนสมาธิเนี่ยนะสงบกับอะไรได้บ้าง ได้สมถะอะไรบ้างส่วนปัญญาเนี่ยสำคัญก็คือบอกว่าเจริญวิปัสสนามานานแล้วเนี่ยนยก็ดูว่าใกล้ความจริงต่อการรู้อริยสัจหรื อ, อยังอริยสัจเนีสํสำคัญว่าเดี๋ยวข้างหน้าปฏิสมัมพิทาจะกล่าวว่าการรู้อริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวิจาหาระก็ตั้งใจว่าน่าจะจบนะแต่ก็อารัมพบทยาวไปหน่อย